ก็ยังไม่มีท่านใดพร้อมอเดี๋ยวอาตมาก็จะเทศบรรยายให้ฟังก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้สองปีเมื่อสองประมาณ ปีกว่าๆเกือบสองปีเราก็เป็นพระเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดเขาอิติสุขโตก็คือเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี่แหละธรรมดาก็ทางแม่ชีโทศพรเขาก็มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่วัดป่า ก็คือวัดใหญ่คลายคีรีนะัตอนนี้เราก็ไปช่วยงานช่วยงานของที่วัดก็คือมีการทำ Facebook ให้กับของวัดแล้วก็มีการไปถ่ายรูปถ่ายรูปพวกการปฏิบัติธรรมถ่ายสถานที่เพื่อเผยแพร่ให้คนข้างนอกได้รับรู้ก็ไปถึงเสร็จก็จะมีการ ปฏิบัติธรรมทั้งวันก็คือตื่นมาตอนเช้าก็จะมีการทําวัดเช้าตั้งแต่ตีสีครึ่งก็ทําวัดเย็นตอนกลางวันก็จะมีบรรยายรรมเราก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปคนที่บรรยายก็คือมีแม่ชีชีใหญ่ก็คือแม่ชีทศพรกับหลวงพ่อเจีย๊ยบ ซึ่งเป็นเจ้าวาดที่วัดป่าแต่ว่าอเผอิญวันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีใครว่างแม่ชีก็ไม่มาหลวงพี่เจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบก็ป่วยก็เลยต้องจำเป็นก็ต้องไปบรรยายธรรมใ ห, ให้เขาฟังครั้งแรกๆที่ไปพูดเนี่ยก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นกลัว มันจะพูดมันจะรอดไหมเนี่ยมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆยะให้คนที่เขามาฟังบางคนก็ปฏิบัติทำมาดูแล้วก็น่าจะแก่กล้าพอสมควรอายุก็เยอะแล้วยังไงก็ต้องปฏิบัติทำมานานกว่าเราแหละแล้วเราจะไปพูดอะไรให้เขาฟังได้แต่ว่ามันหลีกหนีไม่พ้นเพราะมันจำเป็น ไม่มีใครอยู่ทางเจ้ า, าวาดก็ไม่สบายก็เหลือแต่เราอยู่คนเดียวก็เลยต้องเปลี่ยนหน้าที่จากช่างภาพมาเทศให้ญาติโยมฟังก็คงยังไม่ได้เรียกว่าเทศเพราะว่าเป็นการพูดคุยเหมือนแชร์ประสบการณ์กันก็เหมือนกับตอนนี้ก็เทศบ้างบรรยายบ้าง เพราะว่าในการเทศนั้นเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาอย่างมากในการที่จะเราจะคิดธรรมะขึ้นมาเพื่อจะสอนญาติโยมให้เขาได้ธรรมะให้เขาเกิดปัญญากับเราเหมือนกับที่เราได้คิดขึ้นมาเนี่ยอย่างนั้นนะ่ะคือการเทศซึ่งจะสังเกตได้ทุกครั้งเนี่ยก่อนที่หลวงพ่อ เวลามีการปฏิบัติทำทำวัดหลวงพ่อมะเทศเนี่ยก่อนที่จะเทศเนี่ยหลวงพ่อก็จะนั่งสมาธิก่อนทุกครั้งเท่าที่อาตมาได้สังเกตดูอ่าก็แปลว่าท่านต้องทำจิตทำใจให้นิ่งทำให้มีสมาธิเพื่อให้มีปัญญาแล้วก็มาเทศสอนพวกเราได้พอหลังจากนั้นเนี่ย พอเริ่มได้เทศได้บรรยายไปเรื่อยๆรื่อยๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนเกิดความเคยชินละบางทีพอมีงานมีปฏิบัติธรรมเสาร์อาทิตย์แม่ชีไม่มาหลวงพ่อเจี๊ยบก็จะเรียกไปบอกว่าพระการช่วยไปบรรยายหน่อยผัดกันเพราะเขาคนเดียว เ, เขาก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันก็เหมือนกับตอนนี้ คืออยากให้มีการเทศมีการบรรยายเพื่อให้ญาติโยมจะได้ฟังเผื่อจะได้ธรรมะบ้างแต่ว่าคนเดียวมันก็เหนื่อยเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยออกอุบายมาว่าให้พระกับแม่ชีมาช่วยกันเพราะว่าในการที่เราได้มาเทศได้มาบรรยายธรรมเนี่ยเราก็จะได้บุญได้อนิสงฆ์มาก เหมือนเป็นการเผยแร่ธรรมะเหมือนทำให้คนเกิดดวงตาเห็นธรรมอามันยังไงมันก็มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกที่จะทำครั้งแรกที่อาตมาได้ไปพูดเนี่ยโอ้โหเสียงสั่นเลยเสียงสั่นตกใจตื่นเต้นคิดคิดมาว่าจะพูดอะไรเนี่ยถึงเวลาพูดไม่ออก ลืมหมดทุกอย่างหัวสมองว่างเปล่ามันบางทีพูดพูดไปก็นิ่งห้างไปเลยคือมันเหมือนกับเหมือนกับมันลืมไปหมดมันตกใจยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฝึกหัดใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะจดจดสคริปต์มาจดอะไรย่อๆมาก็ได้แต่ตอนเนี้ยเราก็ ในเทศมาก็ประมาณเป็นสิบครั้งละจากเมื่อก่อนไม่เป็นพูดไม่ได้วันนี้ก็ก็พูดไปออย่างวันนี้ไม่มีใครพูดเราก็ต้องมาพูดก็มั่วไปก็พูดไปแต่เราไม่ได้ว่ามาพูดอะไรที่มันไร้สาระเราก็คิดไปว่าจะพูดอะไรให้มันมีสาระอะไรที่เราคิดว่ามันดีมีประโยชน์ เพื่อจะเอามาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังในการที่อาตมาได้อยู่ที่วัดเขาอิตินั้นคราวที่แล้วได้พูดไปถึงเรื่องที่มาที่นี่แล้วก็คราวนี้ก็จะพูดย้อนกลับไปถึงตอนที่อยู่ที่นั่นว่าทําไมถึงได้ไปบวช เ, เพราะว่ามีญาติโยมหลายคนได้มาถามว่า เ อ, อ่ออายุเท่าไหร่ทำไมถึงบวชทำไมถึงยังไม่ศึกแล้วทำไมถึงต้องมาอ่าก็จะเล่าคร่าวว่าทำไมถึงต้องไปบวชในการที่คนเราเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยคนที่จะเข้าวัดเนี่ยแปขึ้นไปก็คือพวกที่มีปัญหาอ่อแต่อย่างพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะ พวกเรานี่คือพวกไฟในธรรมพวกสนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมแต่ว่าคนที่วัดที่เขาอิติเนี่ยมันจะมีคนเยอะหมุนเวียนกันมาปฏิบัติก็คือส่วนใหญ่เท่าที่อาตมาได้สัมผัสดูไปคุยดูเนี่ยจะเป็นมีแต่พวกมีปัญหาพอมีปัญหาเนี่ยก็ต้องเข้าวัดไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ต้องไปพึ่งพระก็เข้าวัดกัน เหมือนกับอาตามาตอนนั้นก็มีปัญหาย้อนกลับไปปี2552อ่าตอนนั้นไปบวชช่วงเดือนกรกฎาก่อนจะเข้าพรรษาพอดีก็มีปัญหาก็คือว่าเรื่องงานคือเราทำงานทำงานมาประมาณ4 4- 5ปีปีอ่าเปลี่ยนงานมาทั้งหมด3ที่ จบออกมาปุ๊บก็ทํางานเลยทําทงานกับรุ่นพี่ที่มหาลายัยชวนกันไปทําก็จะไม่มีระเบียบแบบแผนอะไรมากนะั่งนทําอยู่ได้ 2- อสมปีก็อยากจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าก็ย้ายไปอยู่บริษัทของเป็นบริษัทญี่ปุน่นเป็นบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เป็นระบบที่ดีขึ้นเงินเดือนก็ดีขึ้นทําทไปได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปอีก ย้ายเพื่อที่ว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คนเราอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องไขว้คว้าอะไรที่มันดีกว่าเราไม่พอใจในที่เรามีอยูอ่เราเห็นคนอื่นเขาได้เงินเดือนมากขึ้นเงินเดือนมากกว่าที่นี่เราก็ย้ายไป ม, มาทำไปปีนึง <c oughs> ทำไปปีนึงแต่ว่าช่วงนั้นมันเศรษฐกิจไม่ดีก็เลย เกิดปัญหาขึ้นคือเราไม่มีผลงานเลยปีนั้นทั้งปีไม่รู้เป็นอะไรปกติทํางานดีตลอดผลงานดีพอเราจะย้ายที่เจ้านายถึงก็บอกว่าอย่าย้ายเลยเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้เราก็ไม่ยอมอยากจะก้าวหน้าอยากจะรวยอยากจะมีเงิน เ, นเยอะๆก็เลยย้ายไปแต่ที่สุดท้ายเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรทําเหมือนจะดีจะดี เหมือนจะขายได้เหมือนจะปิดงานได้ถึงเวลาล่มตลอดผนวกกับเศรษฐกิจด้วยตอนนั้นมันมีเศรษฐกิจที่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงยุสนามบินอะไรกันอีกเยอะแยะไปหมดแล้วงานที่เราติดต่อจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกราชการโปรเจกต์มันก็เลยล้มหมดพอล้มหมดเราก็เกิดความคิดที่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็ไปหาที่ใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าที่นี่ก็ได้ เ, ออเพราะเรามีความมั่นใจอยู่แล้วปกติเรามันย้ายงานมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่พอไปที่ใหม่พอลาออกมาปุ๊บไปนั่งอยู่บ้านหางานอยู่ประมาณสองสาเดือนก็ไปสัมภาษณ์เยอะแยะประมาณเป็นสิบที่ซึ่งแต่ละที่เนี่ยบางทีเราคุยเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาพอใจในตัวเรา คิดว่าเราน่าจะได้งานที่นี่แหละถึงเวลามันไม่ได้ทั้งหลายที่ที่เราคิดว่ามั่นใจว่าควรจะได้แต่ถึงเวลาแล้วมันไม่ได้ อ, อก็สามเดือนผ่านไปอีกสองเดือนผ่านไปก็ยังไม่ได้ก็เลยคิดว่าอย่างที่ย้อนออจะคิดเหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ข้างตน้น ก็คือว่ามีปัญหาแล้วตอนนี้การเงินเริ่มเดือดร้อนแล้ว เ, เงินเริ่มหมดแล้วเพราะว่าเราเลิกขอพ่อขอแม่ตั้งแต่เรียนจบเรียนจบก็หาเงินเองกินอยู่เลี้ยงชีพใช้เงินเดือนอแต่คราวนี้เงินจะหมดทำไงพึ่งพระเหมือนเดิมคิดว่าไปบวชเนี่ยต้องดีแน่นอนสึกออกมาชีวิตกูต้องดีแน่นอนไปบวชคราวนี้ สเดือนไปเลยก็คือช่วงเข้าพรรษาพอดีก็ลเลยบวชไปเลยหนึ่งพรรษาไปขอหลวงพ่อบวชหนึ่งพรรษาออกมาชีวิตกูดีแน่แน่เหมือนที่ผ่า น, านมาก็เลยตัดสินใจไปบวชพอบวชอยู่ไปอยู่ไปก็เหมือนเหมือนกับคนทั่วๆไปนั่นแหละคือมาด้วยใจที่มีปัญหาเดือดร้อนมันจะมีความคิดตลอดเวลาว่าเนี่ยเรามาบวช เดี๋ยวออกไปเราต้องดีเรามาบวชผลของการบวชนี่ออกไปต้องได้งานคือเหมือนกับว่ามันใจมันไม่ใช่ไม่ใช่ที่เหมือนเคยบอกไว้ว่าบุญคือความว่างเปล่าเนี่ยคือไม่ใช่ละคือเหมือนบวชนมาเพื่อเป็นข้อต่อรองอ่มันก็จะเวลาการปฏิบัติการอะไรเนี่ยอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยเรามานั่งเนี่ยเราก็จะคิดละเนี่ยไอการนั่งสมาธิครั้งเนี้ย เพื่อให้เดี๋ยวขอให้ได้งานดีๆวิ่งเข้ามาขอให้ออกไปมีคนเรียกไปทํางานเช่วงแรกๆเนี่ยจะคิดแบบนี้คิดจนกระทั่งนับวันเลยแต่มันก็แปลกเหมือนกันนะเวลาเรานับวันเนี่ยว่าบวชสามเดือนนับไปเหลือกี่วันโอ้โหมีความรู้สึกว่านานานานมากมากแต่พออยู่ไปอยู่ไปเริ่มชินเหมือนมาที่เนี่ย มาอยู่ได้น่าจะสี่เดือนแล้วมั้งอ่ารู้สึกมันเวลามันผ่านไปเร็วมากไม่ต้องเอาถึงหลักเดือนเอาแค่หลักวันพออย่างทุกวันอังคารเนี่ยเราจะสวดอา่าสวดสวดใน อ, อะไรอะอ้ที่สวดศพเขาเรียกอะไรนะในอ่อานั่นแหละสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ย มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งสวดไปไม่กี่วันเองมันมาถึงอีกแล้วเนี่ยวันอังคารเออรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเพิ่งสวดไปวันสองวันนี้เองที่ไหนได้มันเวียนมาครบรอบละเจ็ดวันเออคือมันเป็นอะไรที่มันผ่านไปเร็วอืมเราก็มานั่งคิดเออถ้าเกิดเราได้เริ่มปฏิบัติเริ่มตั้งใจมานานแล้วเนี่ยเออเราคิดคิดที่จะทาจริงๆจังๆมาปฏิบัติจริงจงจังๆเนี่ย เหมือนกับที่เรามองว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเร็วจริงๆเนี่ยสี่เดือนผ่านไปโชคดีหน่อยมาอยู่ที่นี่ปฏิบัติเยอะเพราะว่าหลวงพ่อให้มาเป็นเจ้าอาวาตก็เหมือนโดนเหมือนโดนบีบบังคับไปในตัวเหมือนเราสวมหัวโขนคือเราจะต้องปฏิบัติเราจะเล่นมากไม่ได้คือจะเละปาจะไม่ทําวัดไม่ปฏิบัติไม่ได้ก็เลยต้องทํา พอทำแล้วเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนที่เราไม่เคยมีความรู้สึกมาก่อนก็คือหลายๆอย่างมันดีขึ้นทั้งภาวะจิตใจและสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนก็คือปัจจตังเออเราก็มานั่งคิดว่าเออสมัยก่อนเนี่ยเราไม่น่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไป อย่างรวดเร็วรู้อย่างนี้เราก็ทําไปทุกวันทุกวันด้วยความตั้งใจดีกว่าก็เหมือนกันบางคนเนี่ยเวลาจะปฏิบัติเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวอีกอีกหน่อยค่อยทําก็ได้ไว้ก่อนอย่างเงี้ยคิดไปคิดมาเนี่ยบางทีผ่านไปเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์ผ่านไปเป็นเดือนผ่านเดือนผ่านไปเป็นหลายเดือน ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติยังไม่ได้เริ่มตั้งใจที่จะทาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เราลองเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปช่างรวดเร็วเหลือเกินถ้าเราคิดจะทำเราทำเลย เ, เราตั้งใจเลยเริ่มเลยตั้งแต่วันนี้ก็ขออนุโมทนากับผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติวันนี้ก็สมควรแก่เวลาตอนนี้มลถอนสมาธิ